ขอความสุขความเจริญจง ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายประสูดในวันนี้จะได้พูดถึงพุทธชัยมงคลคาถาคือคาถาที่พระโบราณอาจารย์ได้รวบรวมถึงชัยชนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อบุคคลและกรณีนั้นๆ ที่เราใช้มาเป็นบทสวดในพิธีมงคลต่างๆในปัจจุบันเรียกว่าพุทธชัยมงคลแปดประการซึ่งท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำในพุทธชุชัยมงคลบทแรกนั้นที่จริงท่านเอามาจากมาวัก แห่งพระวินัยเป็นการสรุปด้วยข้อความสั้นๆว่าพระจอมมุณีทรงชัยชำนะมานพร้อมด้วยเสนามานที่มาพะจนพระองค์ณนะโฮชิมนทนตลอดคืนยางรุ่งด้วยธรรมทั้งหลายมีทานเป็นต้น ด้วยอำนาจใจมุงคนนี้ของขอมงคลทั้งหลายจง ม, มีแก่ท่านจะเป็นการสรุปมาด้วยข้อความที่สั้นๆมีใจความมันเป็นเบื้องต้นว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ทดลองประพฤติปฏิบัติโดวยวิธีการต่างๆ เป็นเวลาถึงห้าหปีเกือบหปีก็ใ น, นที่สุดมาปรงพระไทยแน่ชัดป่าปฏิปทาที่จะทำให้พระองค์สัสรุนั้นก็คือหลักบำเพ็ญเพียรทางจิตที่เริ่มต้นมาจากอนาปานสติกรรมฐานคือการตั้งสติตามดูลมหายใจเข้าและหายใจออก จนผ่านไปทางสมาธิสำคัญสองระดับคืออุปจารสมาธิสมาธิที่ใกล้ความส ง, งบเข้าไปและอัปนาสมาธิสมาธิที่แน่แน่เมื่อถึงจุดนี้จิตก็จะส ง, งบจากนิวรณ์ด้วยองค์ของฌานทั้งห้าประการซึ่งต่อจากนั้นจะทรงใช้ ปัญญาพินิจพิจารณาหลังจากปัรลุจตุจชานไปแล้วจึงได้ทรงอธิษฐานพระไทยที่เราเรียกว่าจาตุรงคับมหาประทานคือความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สี่ประการเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยความเพียรสัจจะและอธิษฐานเป็นหลักใหญ่รวมเรียกว่า จะตุรงขะหมาไปถานคือทรงอธิษฐานพระไถยว่าแม้เลือดเนื้อในกายของประรงุง์จะเหือดแห้งไปยัง เ, ยงเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามถ้าหากว่าพระองค์ไม่จะรู้ด้วยความเพียรพยายามนี้แล้วก็จะไม่ยอมลุกจากอาสนะที่ประทับอยู่ซึ่งก็หมายความว่าเป็นเจตจำนงที่ตั้งพระไถยแล้วก็มีทางเลือกอยู่เพียงสองทางเท่านั้น คือตายกับสัตรูถ้าไม่สัตรูก็ตายถ้าไม่ตายก็ได้ดสัตรูและเมื่อทรงบำเพ็ญเพียรไปนั้นพญามานพร้อมด้วยเสยนามารได้มาพปจนพระองค์ตลอดเวลาและในที่สุดพระองค์ก็เอาใจชำนะมารได้ พระโบราณอาจารย์จึงเฉลิมพระนามพระพุทธเจ้าว่าพระวิชิตมารหรือพระผู้พิชิตมานเป็นพระพุทธรูปปางที่นิยมสร้างกันมากคือปางมารวิชัยเช่นพระพุทธจินสีพระพุทธจินราชเป็นต้นประเด็นที่น่าศึกษาเฉพาะตอนนี้ก็มีอยู่สองประเด็นใหญ่ๆด้วยกันประเด็นแรกก็คือมารที่มาไปจนพระพุทธเจ้า กับประเด็นที่สองก็คือบารมีธรรมที่ส่งใช้ผจนมานจนประสบชัยชนะในที่สุดเรื่องมาในบทภาหุงที่เราสวดกันนั้นแต่ท่านมองย้อนไปที่บทสวดที่ปางเมื่อพระองค์ปรมพุทธวิสุทธศาสดาแล้วก็จะพบว่าเน้นไปในรูปของบุคลาทิศฐานคือเป็นรูปของบุคคลเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มาไปจนพระพุทธเจ้าที่เราว่านิมิตแขนตั้งพันขี่ช้างชื่อคิริเมกมาไปจนพระองค์แต่ในที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้ไปปัญหาเรื่องมารที่มาไปจนพระพุทธเจ้านั้นนักวิชาการปัจจุบันเพยายามที่แสดแงความฉลาดปราดเปรื่องของท่าน โดยเชี่ยเห็นที่จริงเป็นการชี้แนวนี้มานานนานพอสมควรคนที่ชี้แนวปุกลาทิ่ฐานชัดเจนมากก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระประมาณชิชชินโนรสนประทุมสมโพธิ์เป็นเน้นมานประเด็นนี้เป็นหลักท่านในตอนหลังจะเน้นไปที่มานคือกิเลสเป็นหลักเพราะอะไรเพราะว่ามาน ที่แปลว่าผู้ล้างผลาญผู้ทำลายผู้ขัดขวางสิ่งที่เป็นอุปสรรคของการกระทำความดีต่างๆแต่ในจริงแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นมารโดยทรงจำแนกมารไว้เป็นสี่ประเภทด้วยกันเป็นห้าประเภทด้วยกันประเภทแรกคือขันธามารได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ซึ่งเป็นมารในฐานะที่แตกต่างกันในระดับ ท, ทั่วไปก็คือเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิปริตเปลี่ยนแปลงไปขันธาตุเป็นต้นมียิ่งมีหย่อนกันก็กอให้เกิดเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาในกรณีนี้ก็เป็นมารที่ต้องพิจนกันอยู่ทุกวันปวดเมื่อยไม่ค่อยสบายเป็นต้นในอีกชั้นหนึ่งก็คือ จิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าก็เป็นมานอีกระดับหนึ่งทั้งว่าที่จริงท่านในกรณีนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของมานอีกพวกหนึ่งคือกิเลสสมานและเป็นตัวขัดขวางความสุขอย่างสูงออกไปคือสตา์ใดที่ยังมีขันห้าอยู่มีความเป็นเราเป็นเขา อ, อยู่ สาปนั้นความสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็กลายเป็นมานอีกชั้นหนึ่งมานประการต่อไปนั้นก็คือกิเลสสมานได้แก่กิเลสซึ่งมีรากง่าวใหญ่ซึ่งก็ไม่อื่นไปจากโลภโกรธหลงเมื่อวันที่ยี่นี้ได้ไปพิปรายร่วมกับที่จริงมีพุทธคริสต์อิสลามแต่คริสต์เขาไม่ยอมมาร่วมเบื่อก็ยังเหลือแต่อิสลามกับพุทธ ก็ปอยอิสลามก็พูดไปก่อนก็ก็ตั้งฐานมาจากโลภโกรธหลงเช่นเดียวกันซึ่งแสดงเห็นว่ากิเลสประเภทโลภโกรธหลงนั้นถึงอย่างไรอย่างไรโดยศัพท์ที่บัญญัตินั้นอาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันแต่โดยสภาวะของจิตเวลากิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นก็จะเหมือนกันไม่ว่าเกิดขึ้นกับใครก็ตามเอากิเลสประเภทเป็นมานั้น เ พ, พราะเผาผลาญเพราะล้างผลาญพระทำลายเพราะมีการผลักดันให้บุคคลกระทำผิดไปด้วยประการต่างๆซึ่งเราจะพิบว่าเพราะว่าความเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนนั้นล้วนเกิดขึ้นมาจากกิเลสเป็นตัวการสำคัญแม้จะสืบสาวไปอย่างไรจุดเริ่มต้นก็จะอยู่ที่กิเลสไม่โลภ ก, ก็โกรธไม่โกรธก็หลงแต่ส่วนมากก็จะทางานประสานสัมพันธ์กัน ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความหลงหลงจะแทรกซึมอยู่ทุกส่วนของความโลภความโกรธกิเลสประเภทเมานประเภทที่สมเราเรียกว่าอภิสังขารมารคำว่าอภิสังขารก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งปรุงแต่งอย่างมากหรือปรุงแต่งอย่างยิ่งท่านแบ่งออกเป็นสมประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือ ปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือคือบุญได้แก่คุณธรรมความดีต่างๆที่บุคคลประพฤติกระทอาอปุญญาพิสังขารอภิสังขารคือบาปได้แก่อกุศลทุจริตที่บุคคลกระทาทางกายทางวาจาและทางใจสามเณรชาพิสังขารอภิสังขารคืออเนรชาได้แก่อรูปปชานซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติความดี ตั้งฟังทั้งหลายจะพบว่าไอมารประเภทนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นใครคือเป็นมารในขั้นตอนใดอปุญญาพิสังขารอพิสังขารคือบาปนั้นเป็นมารสำหรับชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้เพราะขัดขวางทําลายบ่อดเบียนทำให้บุคคลได้รับความเดือดร้อนตกต่ำและประสบภัยอันตรายต่างๆด้วยผลแห่งบาปทั้งในชาตินี้และในชาติอื่นๆ ส่วนปุญญาพิสังขาร น, นั้นคาว่าบุญเป็นเรื่องการพูดถึงความดีในระดับที่เป็นวัตะคือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏในชั้นหนึ่งก็เป็นความดีงามที่ตกแต่งพบตกแต่งชาติให้มีความประนีตขึ้นคนได้รับความสุขความสงบมากยิ่งขึ้นแต่วันในขณะเดียวกันถ้ามองถึงพระนิพพานแล้วบุญก็กลายเป็นอุปสรรค ในการบรรลุนิพพานเพราะอะไรพระนิพพานนั้นไม่มีบุญถ้าจับใดยังติดบุญจับนั้นก็ไม่ถึงนิพพานแม้เดนชาภปสังขารกนะ็คืออรูปประชานหรืออรูปประชานก็ตามที่จริงในแง่ของบุญระดับโลกแล้วก็ถือว่าสูงสุดไม่มีบุญอื่นก็จะสูงไปกว่าอรูปประชานอีกแล้วแล้วต่อจากนั้นมันก็พ้นโลกไปแล้วแต่ถ้ามองในแง่ของนิพพานก็กลายเป็น มานเป็นตัวอุปสรรคขัดขวางพระนิพพานทีฏรพุทธเจ้าทรงอุปมาสิ่งเหล่านี้ว่าเหมือนกับยานผานะสมับข้ามฝากแล้วก็มีทางเลือกแคเพียงสองทางเท่านั้นเองคือจะขึ้นฝั่งหรือจะอยู่ในเรือ <c oughs> แต่อยู่ในเรือก็ไม่ต้องขึ้นฝั่งจะต้องถ้าจะต้องการขึ้นขวางก็ต้องทิ้งเรือเพราะในกรณีที่บุคคลผู้ต้องการขึ้นฝั่งคือพระนิพพานบุญบุญและฌานก็กลายเป็นอุปสรรคของท่าน ตากลายเป็นมารสำหรับท่านแต่ที่เป็นมารสำหรับปุถุชนธรรมดาจริงๆก็มีเฉพาะที่เป็นบาปเท่านั้นเองเพราะสร้างความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นตั้งที่กราบมาแล้วประการต่อไปซึ่งเป็นมารประเภทที่สี่เราเรียกว่ามัจจุมานแปลว่ามารคือความตายความตายนั้นก็เป็นมารหลายทอดเหมือนกันประการแรก คือตัดรอนชีวิตในการที่ไม่ควรตายซึ่งบาลีท่านเรียกว่าอาการละมรณะคือคนเรายังมีโอกาสยังมีความเพียรพยายามมีสติปัญญามีกำลังที่จะกระทําความดีได้อีกเป็นอันมากแต่เกิดมัจจุมานคือความตายมาตัดรอนชีวิตสะก่อนอจึงถ้ามองกันในแง่สูงสุดจะพบว่าอย่างท่านอาราดาบทการามาโคตุทกดาบทรามาบุตรที่เป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้า เมื่อตอนที่พระองค์ตัดสินพระไทยจะแสดงธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้แก่โลกนั้นเมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าอาจารย์ทั้งสองได้ตายเสร็จแล้วก็ทรงเปล่งพระอุทานคือเป็นการมองจากจุดสูงสุดว่าอาจารย์ทั้งสองได้ประสบความพินาศอย่างยิ่งใหญ่ดังเพราะอะไรเพราะเมื่อเทียบการบังเกิดในอรูปไฌานกับมรรคผลนิพพานที่ท่านจะได้นั้นมันห่างไกลกันได้เกิน แต่ในขณะเดียวกันการบังเกิดในอรูปใบชานั้นเป็นการหยุดสังสารวัตไว้เป็นเวลานานเหมือนกันคือท่านเองจะหลุดพ้นกระแสสังสารวัตก็เหมือนกเกาไม้ไปวางไว้บนตะลิง่งมันก็ไม่ถูกกระแสน้าพัดแต่วันหลังในที่สุดเมื่อน้ำสูงขึ้นก็ท่วมก็พัดพาแกไปได้อีกจะถือว่าเป็นการประสบความพิบัติใหญ่เพราะความตายมาตัดเสียหาง อ, องแรกก็ก่อนไป7วันถ้าลาลาบทก็ตายไปก่อน7วันอุตกราบทก็เพิ่งตายมาตอนกลางคืนนั่นเองเป็นระยะเวลาที่ห่างกันไม่น่าเชื่อแต่เป็นการสูญเสียโอกาสอย่างมากที่สุดสมหรับท่านอีกประการหนึ่งก็คือความตายที่เป็นการละมรณะคือตายในเวลาที่ควรจะตายหมดบุญหมดอายุหมดอาหารอายุไออุ่นวิญญาณดับหมด แต่ว่าก็เป็นมารคือตัดรอนชีวิตของบุคคลซึ่งผู้ตายเองก็ยังไม่ปรารถนาจะตายญาติมิตรเองก็ไม่ต้องการให้ตายสี่นั้นก็เลยกลายเป็นมารไปด้วยประการที่5้าเรียกว่าเทวปุตตรมารมารคือเทพประปุตรซึ่งหมายถึงพวกอมนุษย์พวกหนึ่งที่เกิดด้วยอำนาจกุศลคือก่อนจะดับจิตปฏิสนธิด้วยกุศลในจิต ท่านก็เกิดเป็นท่านจุติและปฏิสนธิด้วยกุศลนจิตรา่นในขณะเดียวกันจิตจะสันดาลมากไปด้วยความริษยาคอยขัดขวางตัดรอนการกระทำความดีของบุคคลอื่นเป็นอุปสรรคต่อการทำความดีของบุคคลทั้งหลายสาหรับคนช่วยแล้วพวกคนช่วยแล้วพวกนี้ก็ยุ่ส่งไปได้แต่สมหรับคนที่กระทำความดีก็จะคอยขัดขวางตัดรอน แม้กระทำความดีเพราะกลัวจะหลุดจากอานาจการบงการของพวกตนตซึ่งมารประเภทนี้โดยในยะโดยความหมายแล้วก็หมายทั้งแม้แต่บุคคลโดยทั่วไปที่ประกอบด้วยความริษยาต่อบุคคลอื่นต่อการทำความดีของบุคคลอื่นคอยขัดขวางตัดรอนทำลายล้างความดีของคนอื่นเขา ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยก็ตามก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกับเทวปุตตมานทั้งหมดทีนี้ปัญหาสําคัญว่ามารที่มาไปจรพระพุทธเจ้าในคราวนั้นเป็นมารอะไรกันแน่แต่เรามองกันในแง่ของหลักการปฏิบัติหรือหลักทางวิชาการเราก็ต้องมองถึงความจริงว่ามารที่มาไปจรพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นมันคงจะมีเฉพาะขันธ์มาร กับเทวปุตตมานเท่านั้นเองตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นรูปไปชานและอรูปไปชานโดยเฉพาะรูปไปชานที่สงบนิวรคือเราไม่พูดถึงกิเลสอย่างหยาบประเภทโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นผิดจากทํานองครองธรรมนั้นหายไปนานแล้ว กิเลสประเภทนิวร์คือการมาฉันพยาบาททีน้ำพิธาอุทจักกุกุจะและวิจิกิจฉาเองก็สงบไปด้วยอํานาจของรูปฌานซึ่งพระองค์ได้บรรลุตั้งแต่ศึกษาอยู่ในสํานักอาร า, าดาบทแล้วมันึสงบไปตั้งนานแล้วที่เราจะมาพูดว่ามานคือกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นคลุ้มรลุมใจพระองค์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะถ้าอย่างนั้นแสดงว่ารูปฌานไม่สามารถสงบกิเลสได้ แต่สิ่งที่ต้องเสียแทงอย่างรุนแรงนั้นแน่นอนหรือเกินคือต้องเป็นขันธมานเพราะพระองค์ไปตั้งพระทัยนั่งไม่ยอมกระดิกกระดี้อะไรเลยร่างกายมันสังขารไม่ใช่เป็นพุทธะในร่างกายมันก็ธรรมดาไปนั่งเข้าในลักษณะนั้นก็ต้องปวดต้องเมื่อยต้องทุกข์ทรมานเป็นธรรมดาแต่นี้แน่นอนประจุดแน่แล้ส่วนมานอีกประการหนึ่งนั้นก็เจียดๆใกล้ๆเข้าไปก็คือมัจจุมาน เพราะว่ากันทั้งคืนไม่ยอมพลิกเลยก็น่าดูเหมือนกันแล้วมารที่แท้จริงที่ไปจนจริงๆก็คงเป็นปุกลาธิ่ฐานอย่าที่ว่าคือเรื่องสิ่งมีชีวิตจริงๆได้แก่เทวบุตรมานที่มาไปจนพระพุทธเจ้าแล้วก็มาในรูปของบุคคลคือสิ่งมีชีวิตจริงๆแต่จะแปลงรูปแปลงร่างอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า าการมองธรรมะนั้นการศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเราจะมองจาจุดได้จุดหนึ่งแล้วก็ไปตัดสินเอาเลยเอต้องมองในลักษณะที่สืบเนื่องกันไปถ้าจะมีการอธิบายเฉพาะกิเลสสมานทั้งที่พระพุทธเจ้าพูดบานไว้ทั้ง5ประการนั้นมันจะมีการตีกันเองในเหตุการณ์ทางพุทธวัติแล้วในที่สุดเราจะหาทางออกไม่ได้เขตจะปิดประตูล็อกตัวเองเอาไว้แล้วเราก็วิ่งชนประตูเอง ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามารที่มาไปจนพระพุทธเจ้านั้นไอ้มารตัวนี้แหละ เ, ะเรียกว่าประยาย ว, ะวัสวัตติมารเนี่ยที่เป็นจอมมารอยู่ชั้นสวรรค์ปรินิมมิต ว, วัสวัตดีก็ไม่ใช่ธรรมด า, าเป็นเทวดาที่มีศักดาโนภาพมากทีเดียวก็ไม่ได้ปล่อยมวยแทนลงมาสู้แล้วก็เอาตัวหัวหน้าทีเดียวลงมาไปจน พยามาราธิราชหรือวาสวัตดิมานั้นท่าน <c oughs> บอกว่าเป็นเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นประนิมมิตวตัสวัตดิซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดในกาาวาจรูมิแต่ว่าท่านก็เป็นมารคือคอยขัดขวางสิ่งที่อยู่ในโลกคือคนคนตั้งหลายก็ททำความดีอะไรก็ทำไปแต่อย่าทำความดีจนหลุดอํานาจมารก็แล้วกัน แต่ตลุดอำนาจมารท่านก็ไม่ชอบก็ทํานองคนที่ริษยาแกจะทํางานทําการแกจะร่ํารวยอย่างไรก็ตามก็ใหญ่รวยกว่าฉันก็แล้วกันจะรู้มากกว่าฉันก็แล้วกันจะรวยมากกว่าฉันก็แล้วกันจะใหญ่กว่าฉันก็แล้วกันเคยเป็นลูกน้องฉันอยู่ก็ไม่เป็นได้่ะแกก็เป็นคนแก่ได้แต่วันไหนแกมีข่าวว่าจะรวยกว่าฉันจะรู้มากกว่าฉันจะมีตำแหน่งใหญ่กว่าฉันแล้วฉันก็ต้องจัดการแกทุกทีเลยปันมันพวกนี้เราจะเห็นว่า แม้เทวบุตรตมาลบ้านเราก็มีอยอะจะก็ปรากฏให้พบให้เห็นกันเดือต่างๆที่เป็นผู้ใหญ่แต่ถ้ายัางอยู่ในอำนาจท่านก็ไม่เป็นอะไรแต่ขึ้นไปเหนือกว่าท่านในชักจะได้เรื่องพระยา ม, มาราธิราชก็มีลักษณะเช่นนั้นแกมาไปจนกับพระพุทธเจ้าซึ่งตามพยจนในลักษณะตามจองล้างจองพรานเพราะแม้แต่ตัดสูรแล้วประทับอยู่ที่อัจชปานีโครธคือต้นไทรที่ชื่อว่า ว่าจะปาณิโรดก็มาทูลอาราธนาขอร้องอย่าให้สอนคนพระเจ้าไม่ยอมขอร้องให้นิพพานก็ไม่ยอมขอร้องอย่าให้สอนคนก็ไม่ยอมแล้วก็ให้ลูกสาวซึ่งเป็นทิดามานมาใช้อำนาจของสตรีด้วยวิธีการนิรมิตเป็นภาพสวยงามแล้วก็ไร้รำยั่วยวนพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ให้จิตใจวิปริตเปลี่ยนแปลงไปทั้งเราจะเห็นว่าถ้ามานคือกิเลสแล้วขัดแย้งกันอย่างแรงขัดแย้งอย่างไรหมายความว่าถ้ามานคือกิเลสอย่างที่เราพูดกันแสดงว่าเราปฏิเสธสัพพัญญุตยานของพระพุทธเจ้าปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าสัจรุแล้วแต่ยังมีกิเลสผจญอยู่คือสัจรู้ผ่านมาตั้งเจ็ดหกสั ป, ปดาห์แล้วหกสั ป, ปดาห์แล้วยังมีมารผจญอยู่นี้ก็คือสิ่งที่ขัดแย้งกัน แต่ถ้ามารคือพระยามาราธิราชหรือวัสวัติมารอย่างที่ท่านแสดงไว้ในพระไตรปิฎกจริงๆก็จะไม่มีปัญหาอะไรพระาการที่ปรากฏในพระสูตรที่พระสูตรชื่อว่าสตวสสูตรในสังยุตตนิกายคือมารที่ตามตามร้องตามจองล่างจองฐานพระพุทธเจ้าอยู่ถึง7ปีมันก็แสดงถึงบุคคลไม่ได้แสดงถึงถึงกิเลสเป็นรูปร่างเป็นบุคคล มีอาการกิริยาพอแพ้พระพุทธเจ้าอะไรไปนั่งขีดดินงักงัใกล้ๆพระพุทธเจ้าก็เป็นคนแต่ก็มาในรูปคือมาในรูปของคนแต่มาไปจนพระพุทธเจ้าแล้วก็มาในลักษณะนี้ก็ไม่ใช่ปรากฏเฉพาะตรงนี้มันปรากฏที่ไปเบียดเบียนโดยเฉพาะภิกษุณีเนี่ยในภิกษุณีสังยุทธ์นี่มันตัวนี้ไปเบียดเบียนอยู่เรื่อยตอนที่ท่านทําความเพียรธรรมดาก็ไม่ว่แอะไรพอจะเห็นข้าจะบรรลุมรรคผลแล้วท่านก็แจกแสงขมารทุกทีเลย แสดงว่าเป็นมารคือเทวปุตรจริงๆที่มาไปจนพระพุทธเจ้าไม่ใช่มารคือกิเลสอย่างที่เข้าใจกันเพราะจะเพราะจะชนกันหมดเลยนะถ้าเราถือว่าเป็นกิเลสมาระจนพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าปฏิเสธรูปประชานว่าสงบนิวรณ์ไม่ได้เมื่อฌานท่านยังมีอยู่กิเลสมันไม่เกิดไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นแก่ใครก็ตามเพราะชานกันนิวรณ์นั้นอยู่คนเราฟากกันเหมือนหัวไม่ก้อย ก, ก้อยก็ไม่หัว หรือมันจะเป็นเรื่องของเหรียญคนละด้านกันสาบใดที่ฌานยังมีอยู่สาบนั้นนิวรนครอบงามไม่ได้แต่สาบใดที่นิวรนยังครอบงําอยู่สาบนั้นฌานก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้เหมือนกันเพราะธรรมะเหล่านี้จะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันทีนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้านํามาต่อสู้นั้นแล้เขียนเป็นเชิงรูปธรรมเป็นรูปของนางอะไ ร, ระนางโทรณีบิดมวยผมน้ําท่วมมารจมอะไรอะไรนั้นก็เป็นเรื่องแสดงเป็นบุคลาธิฐาน คือพระอัตารกถาจารย์บางทีท่านท่านท่านขี้วุ่นวายนะ่ะคือขี้ขีขอร้องให้คนอื่นช่วยเรื่อยจริงจริงมันเป็นการลดไอ้พุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าลงไปลดบา ร, รมีธรรมของพระพุทธเจ้าลงไปอะไรนิดๆหน่อยๆก็เทวดามาช่วยแล้วนางธรณีมาช่วยแล้วเทวดาเหละนะ่านั้นมินกิ๊กก็จะตายเทียบกับพระพุทธเจ้าจําเป็นอะไรจะต้องช่วยเหลือพระเจ้าสร้างบา ร, รมีมาตั้งมากมายไกลกองมาประจน มาเล็กๆน้อยๆ อ, อย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะหนักหนาสาหัสอะไรแต่ท่านก็ท่านก็มักอย่างเนี้ยถือบางทีก็ท่านปล่อยเทวดาถ้าก็ปล่อยตัวละคร อ, ออกมาผิดจังหวะแต่หนังสือนี้พวกนี้ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกนะฮะปรากฏเฉพาะพวกที่เขียนขึ้นมาในยุคหลังเขียนมาหลังพระพุทธเจ้านิพพานทั้งพันปีแล้วบางทีตันห้าร้อยปีมาเขียนเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาคืออะไรก็แม้แต่ฉันฉันเข้า คราวหนึ่งพระพุทธเจ้ารับไอ้กระเบื้องทําด้วยแป้งธรรมดาของนางปุณณธาศีก็รับด้วยอนุเคราะห์นางปุณณธาศีจริงๆเทวดาก็เป็นห่วงพระตักถาาจารย์ก็เป็นห่วงบอกว่าเทวดาต้องมาแทรกอาหารทิพเข้าไปเพื่อให้พระพุทธเจ้าฉันได้ น, นี่มันดูหมิ่นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่ไปติดรถอาหารขนาดนั้นคือ น, นี้ก็ปล่ปอยตัวละครบามงทีมก็ผิดจังหวะทําให้มันเสียภาพพจน์หมดเลย นางธรณีก็เหมือนกันแหละที่จริงธรณีนั้นก็เป็นเพียงพระบรารมีธรรมคือแสดงถึงความมั่นคงของพระบรารมีเหมือนกับแผ่นดินนะคือมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสุขต่อทุกต่อความเสียดแทงต่ออะไรอย่างที่เคยศึกษามาในเรื่องธาตุไม่ได้หมายถึงว่าโผลมาจะบิดมวยผมน้ําท่วมอย่างนั้นนอกจากว่าแม่น้ําในรัญจาราจะหลากมันอีกเรื่องหนึ่งว่าเป็นเรื่องที่เขียนกันขึ้นในตอนหลังไม่มีในในพระไตรปิฎก ซึ่งใครจะไม่เชื่อมันก็ควรจะไม่เชื่อนะฮะเพราะเรื่องก็ไม่น่าเชื่ออะไรแต่เรานึกถึงว่าบารมีที่มั่นคงเหมือนแผ่นดินหรือมั่นคงเหมือนแผ่นดินเป็นการพูดโดยอุปมาเปรียบเทียบว่าพระองค์ประทับนั่งไม่หวั่นไหวโดยอาศัยพระบารมีทาทําหน้าที่ผจนมมานอยู่โดยไม่หวัดวันอะไรเลยคือจะมาจะนิรมิตจะบิดเบือนจะเสรสรงจะมารยาจะอะไรก็ตามสารพัด รงก็ไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของอารมณ์ดนันบารมีนั้นมี10บประการแต่ถ้าเรามองในแง่ของหลักแล้วบารมีสิประการนั้นก็มีอยู่เพียงสี่ประการเขาเรียกว่าบารมีหลักกับอุปการะบารมีคือหมายความว่าเมื่อเมื่อบุคคลบำเพ็ญบารมีสี่ประการนั้นบารมีอีก6ประการจะต้องสนับสนุนอยู่เรื่อยนับตัวเลขแล้วมันก็ดูยะ แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วมันก็ปนกันอยู่คือสนับสนุนกันอยู่เราอยกตัวอย่างเช่นว่าเราทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายลองมองดูว่าเราวิเคราะห์งานตัวหนึ่งแม้จะเขียนหนังสือบรรทัดเดียวมันมีสติสัมปชัญญะมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตวีมีมมังสาปนอยู่ในตรงนั้นนะ่ยปนอยู่ในที่เดียวในจุดในหนังสือบรรทัดเดียวแต่นั้นเองเราทํางานประสานสัมพันธ์กัน ก็คล้ายๆกับเครื่องเรือมันเดินหรือเครื่องรถมันเดินคือเครื่องกลต่างๆก็ทํางานประสานสัมพันธ์กันดูแล้วคล้ายๆจะเป็นเพราะคนขับอย่างเดียวแท้ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเป็นปัจจัยของกันและกันก็รถเรือเหล่านั้นมันก็ไปกั้นมาได้การสร้างบารมีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันขอให้ท่านทั้งหลายลองมองย้อนกลับไปที่ตัวกิเลสนะฮะไอ้กิเลสมันก็ทิ้งไม่ได้หรอก คือเราทิ้งมันไม่ได้หรือไม่อยากทิ้งก็ตามใจแหละคือว่าคือสรุปว่าอตอนนี้เราก็ต้องพยชนกับันไปก่อนกิเลสนี่ยังไงมันก็ต้องแทรกอยู่ทุกส่วนการบํบราเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ก็ดีการตัดสู้ก็ดีการสั่งสอนธรรมก็ดีก็เป็นเรื่องของการมุ่งข จ, จัดกิเลสเป็นประการสําคัญกิเลสนั้นคือโลบโกรธหลงก็เป็นหลักอยู่อย่างนั้นแหละมันก็เป็นหลักสาคัญคือพูดไปพูดมาคลาสกับพระพูดซ้า ม, มันไม่เฉยซ้าํา ม, มันซ้ําอย่างนั้นเอง ก็เหมือนคนเหมือนพฤติกรรมของคนเราที่เกิดมามีการมีกินมีนอนมีกลัวมันก็เท่านั้นแหละก็หมุนไปหมุนมามันก็บนเวียนอยู่เท่านั้นเองเป็นพฤติกรรมทําซ้อนเพราะฉะนั้นกิเลสที่ครอบงาสัตว์โลกอยู่มันก็ไม่รอดพ้นตาข่ายของโลภโกรธโกรงไปได้ธรรมะที่ทรงแสดงอย่างทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาเราจะพบว่าเป็นการแสดงแก้ความโลภความโกรธความหลงมาถึงแสดงทานศีลภาวนาก็แก้โลภแก้โกรธแก้หลง ไปแสดงบุญญากริยาวัตถุสิบก็อีกอแก้โลคแก้โกรธแก้หลงจีตไม่ว่าจะจับตรงไหนมุ่งไปที่ผลคือขจัดโลคโกรธตรงแต่จะขจัดได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับระดับเรานน้นทีนี้บารมีแปลว่าการเก็บการสะสมความดีหรือการกระทาอันยิ่งหรือการกระทาที่สูงสุดเป็นการค่อยๆเก็บค่อยๆสะสม ไม่ใชวนิ่งเพิ่มพรวดพราดขึ้นไปแล้วมีความเข้มข้นมีภูมิต้านทานทางใจสูงขึ้นประณีดขึ้นไปโดยลําดับแต่นั้นท่านจึงจัดบารมีเป็นสามชั้นในเรื่องเดียวกันนั่นเองมันก็คล้ายๆกับการจัดปัญญาอย่างที่กล่าวเมกีน้นี้ในเรื่องเดียวกันแต่ท่านจัดขึ้นเป็นสมชั้นที่จริงอาจจะเป็น4ี่ชั้นก็ได้แต่ในวิสุทธิมรรคท่านจัดสชั้นก็สมชั้น ในเรื่องเดียวกันความรู้ระดับหนึ่งเพียงแต่ติดอยู่รูปแบบเท่านั้นเองเขาเรียกว่าสัญญาความรู้อีกระดับหนึ่งมันก็รู้เรื่องนั้นแหละแต่มันก็ประณีตขึ้นแตกฉานขึ้นเรียกว่าวิญญาณในรู้เรื่องเดียวกันนั่นเองไปเจาะลึกลงไปขยายวงกว้างออกไปสามารถมองทั้งอดีตอนาคตให้เห็นเป็นอย่างหนึ่งเดียวกันได้แล้วก็กลายเป็นปัญญาหรือเป็นญาณ เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในเรื่องเดียวกันแต่บางอย่างลึกแตกต่างกันการเรียกชื่อสิ่งเหล่านั้นก็เรียกแตกต่างกันออกไปทีนี้บารมีมันก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านทรงแบ่งเป็นสามชั้นเรียกว่าบารมีอุปบารมีปรมัทบารมีสมเด็จพระหมหาสมาเจ้าทรงวินิจฉัยว่าไออุปบารมีมันน่าจะอยู่อยู่หน้าบารมี คือ น, นี้ก็ขึ้นอยู่กับการแปลคําว่าอุปะนะจะแปลว่าอย่างไงนะอุปะแปลว่าเข้าไปแปลว่าใกล้แป ล, ล, แปลว่ามั่นถ้าแปลว่าใกล้มันก็ควรจะอยู่อยู่ก่อนบา ร, รมีแต่ถ้าแปลว่ามั่นมันก็ควรจะอยู่หลังบา ร, รมีคือทําบา ร, รมีนั่นเองให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นขึ้นกับการแปลอุปะนะอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้มั่นเป็นอุปสรรค์ที่เราเรียนในหนังสืออุเทศภาษาไทายอุปสักดิ์ิตัว แต่ก็ท่านเรียงอย่างนี้แสดงว่าแปลว่ามัน่นบารมีคือการเก็บการสะสมความดีในชั้นฐานคือให้วัตถุสิ่งของต่างๆเพืเ่อเผื่อแผ่กันไปมันก็เป็นบารมีคือเก็บการสะสมความดีทำให้อัตยาสัยจิตใจของบุคคลสูงขึ้นประณีตขึ้นทีนี้พอเราคนเรามันให้ของเล็กน้อยได้แล้วเนี่ยจิตใจมันมากไปด้วยคือธรรมะอื่นมันขึ้นตา่าง ท่านตั้งหลังได้โปรดสังเกตอย่างที่อุปมาให้ฟังเรื่องเรื่อๆที่จริงไม่ใช่อธรมาอุปมาเองนะพระพุทธเจ้าท่านอุปมาให้ฟังอะว่ามันเหมือนกับไอ้ลำธารแม่น้ําลำคลองอะไรต่ออะไรมันลดแล้อย่างอื่นหมาสมุทรเองมันก็ลดตามแต่ถ้าเพิ่มมันก็เพิ่มตามไปหมดคือเพิ่มจากหมาสมุทรหรือเพิ่มจากข้างบนหรือเพิ่มจากข้างล่างก็ตามมันจะเพิ่มตามไปหมดพอลดมันก็จะลดตามไปทั้งหมดเหมือนกันนี่เป็นกระบวนของธรมธรมะธรรมะอันเป็นธรรมชาติประการหนึ่งเพราะฉะนั้นในกระบวนขารความดีมันก็มีลักษณะอย่างนั้น พระบุคคลสร้างทานนบารมีขึ้นมาไอ้ส่วนอื่นๆมันก็ปล่อยลดตามไปแม้ทานจะมุ่งกระจัดพวกโลภะก็ตามแต่พอกรจัดโลภะได้โทสะก็ลดโมหะก็ลดคือพอถึงจุดหนึ่งเราจะให้ได้แม้แต่คนที่เราไม่ชอบ ท, ท, ทั้งๆที่ไอ้คนนั้นเรามีโทสะแก่อยู่เราก็ให้แก่ได้แล้วก็ให้ของที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเช่นว่าบริจาคเลือดบริจาคอวัยวะ อะไรบริจาคดวงตาให้สภากาชาิอะไรตัวไรเนี่ยก็มีคนทำได้น้อยนะฮะมีคนทำได้น้อยบางคนก็ไม่กล้าบริจาคร่างกายให้เด็กศึกษาบอกว่าอายเด็กมันคือทั้งทัที่ตัวเองก็ก็เป็นท่อนไม้ไปแล้วยังรู้สึกอายบางคนก็ไม่กล้าบริจาคตาก็กลัวเจ็บทั้งๆัที่ตัวเองก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วหรือบางคนคิดหายไปเลยว่า กลว่าเกิดชาติหน้าจะไม่มีตาเกิดใกล้จะเอาตาเก่าไปใช้แต่เขาไม่เอาใช้แล้วของก็ทิ้งก็เราก็จะเป็นห่วงเป็นยาเ ย, ยียนเนี่ยเราก็สละเอาจริงๆมันก็หาคนสละได้น้อยอพระเถระบางรูปท่านก็นสละได้มีเพื่อนบางองค์บอกว่าคือก็เอาไปปนไว้กับทั้งผู้หญิงผู้ชายที่จริงมันไม่เกี่ยวอะ่ะปนก็ปนไม่ไมันเกี่ยวอะไรกันมันศพอะ่ะศพเอาไปปนปนกันเท่านั้นเอง คือคือคือสรุปว่าศพก็ยังเคร่งวินัยอยู่มันก็แปลกฮนะอันนี้ก็เป็นเป็นความคิดที่มันอาศัยไอความติดที่มีอยู่ภายในใจเราคือปัญญามันไม่ได้ปรากฏพอที่จะเอขจัดอิกิเลตประเภทความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปได้มันก็คิดเรื่อยๆไปแต่ว่าถึงจุดหนึ่งนั้นคนเราจะสละได้แม้แต่ชีวิตของตัวเองนะ ในกรณีที่เพื่อผลประโยชน์ที่ยิ่งกว่าสูงกว่าซึ่งคนประเภทนี้มันจะน้อยตัวลงไปหาคนทำได้น้อยเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดเป็นประมัตบา ร, รมีในการรักษาศีลก็เหมือนกันศีลก็เป็นบา ร, รมีเป็นความดีระดับหนึ่งซึ่งบางทีเราอาจจะรู้อำนาจแก่อารมณ์คือจะมีอะไรพอจะล่วงละเมิดศีล อาจจะรับศีลข้ออาทินนาไปแล้วพอดีมีคนก็ให้เงินเป็นช่วยเหลือกิจาการต่างๆก็ไม่ถูกอะไรดอกตามนาม้ำก็บางทวนน้าบ้างไว้เก็บศีลไว้ก่อนก็ไปรับใหม่จะเอาเงินไว้ก่อนเนะนี่ยมันก็เป็นบรารมีในส่วนที่เป็นศีลอยู่เล็กๆน้อยๆเก็บสะสมเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆแต่บางคนนี่เขาไม่เอาเขายอมรักษาศีลของเขาไว้ไม่ยอมไม่ศีลทํำลายบางคนมันถึงขั้นที่เป็นปรามัตดคือยอมตายโดยไม่ทําลายศีลพวกนี้มันก็น้อยตัวอีกอ่ะ แไปขึ้นอยู่กับการมองเห็นคุณค่าเวลาจะต้องเปรียบเทียบมันมีทางเลือกอย่างที่เคยเล่าพวกพระญาติของพระพุทธเจ้าคือเจ้าสักยะทั้งหลายที่ตอนพระเจ้าวิถุตรายกมารบนั้นที่จริงพวกนี้เป็นกษัตรินครับนะฮะพวกสักยะนี่ราชวงศ์สุริยวงศ์นี่เป็นนักรบชั้นเยี่ยมเลยแต่ตอนนั้นท่านมีศีลศีลประเภทที่เรียกว่าเป็นปรมาธมารมีไปแล้ว ท่านก็มีทางเลือกอยู่สองทางอะ่ะท่านจะรักษาชีวิตเอาไว้หรือรักษาศีลไว้มันก็เลือกได้สองทางเท่านั้นเองท่านก็มาพิจารณาเทียบเคียงกับชีวิตชีวิตจะรักษาได้วันนี้วันหลังมันก็ต้องตายแต่ว่าศีลนั้นเป็นความดีงามที่จะสร้างพบสร้างชาติแล้วท่านก็ต้องยุติการทำบาปเพราะงั้นท่านยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลคนประเภทนี้นก็มีน้อยอกอันแต่นั้นบรารมีหลักจึงมีทานมีศีลมีเนคขมะมีปัญญา เรียกว่าบารมีพวกบา ร, รมีหลักไอสัจจะคือความจริงใจขันติความอดทนอธิษฐานความตั้งใจมั่นเมตตาความเมตตาสัจจะอะไรเนี่ยตัวนี้ก็เรียกวุปการะบา ร, รมีท่านจะเห็นว่าอย่างในกรณีที่เราให้ทานเราให้ทานนั้นเราต้องมีขันติความอดทน ต่ออารมณ์ที่อยากให้เลยน่เสียดายไปเดียวของจะหมดไปไปเดียวปลายเดือนจะเงินจะไม่พออะไรมันกระซิบใจยอยู่เรื่อยเราต้องอดทนต่ออารมณ์นั้นนั้นได้แล้วไอ้สัจจะจะต้องอธิษฐานคือมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่งั้นเจตนามันก็เสียทีนี้ในด้านจิตใจก็ต้องสะท้อนออกซึ่งเมตตาคือความมุ่งดีความปรารถนาดีแล้วต้องมีวิริยะคือความเพียรพยายามที่จะกระทาให้ได้พวกนี้แกก็เกิดตามขึ้นไปเรือยไอ้หอย่างเนี้ยแกเกิดตามเรืยเลย ต่างๆ ท, ที่ว่าเราให้ทานอย่างเดียวแต่อีกหกอย่างต้องเข้ามาสนับสนุนบารมีจึงไม่ได้พูดเฉพาะบารมีข้อใดข้อหนึ่งนะฮะแท้ที่จริงเราทําคราวหนึ่งทําความดีคราวหนึ่งบารมีก็เกิดตามกันไปแต่อะไรที่เด่นเราก็เรียกว่าบารมีนั้นเท่านั้นไม่ใช่ว่าบารมีโดดโดดทานโดดโ ด, ด, โ ด, ด, โ ด, ดมันเป็นไปไม่ได้เพรามีความสืบเนื่องกันอยู่ในบรรดากุศณธรรมทั้งหลายเพราะคนที่ทําทานนั้นจะต้องมีปัญญา มีความกรุณามีความเพียรมีจิตใจมั่นคงมีความจริงใจมีความอดทนมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นสนับสนุนในการให้ทานและต้องมีเนคขมะคือใจจะหลุดจากอำนาจกิเลสอย่างน้อยขณะนั้นจึงให้ได้บารมีเกิดขึ้นพื่อพระเพื่อพระถึงเก้าบารมีสิบบารมีเลยทีเดียวแต่มันเป็นตัวหนุนเท่านั้นเองเป็นตัวหนุน ไม่ใช่เป็นตัวบา ร, รมีที่เด่นอย่างยกตัวอย่างในชาติที่เป็นประเวทสันดรคือเราพูดประทานบา ร, รมีพระธานมันชัดตอนนั้นเองแต่ถ้ามองพิจารณาเช่นตอนให้ช้างปั จ, จัานาคแก่พรามแคว้นกาลิงกา ร, ราที่มาขอถึงท่านทั้งหลายก็ทราบเรื่องประเวทสันดอนดีอยู่แล้วนะฮะแต่ท่านจะเห็นว่าประเวทสันดรท่านก็คิดนะท่านก็คิดว่า ในขณะที่ท่านกำลังสุขสบายนี่คนอื่นเดือดร้อนนี่ก็เป็นอาการของปัญญาท่านก็ต้องช่วยอาการของปัญญาแล้วเกิดเมตตาที่จะช่วยเหลือเขาเนื่องมากลายเป็นเมตตาต้องต่อสู้กับความขัดแย้งทางใจและอปฏิกิริยาทางภายนอกด้วยขันติด้วยอธิษฐานโดยขันติด้วยอธิษฐานด้ว ย, ยสัจจะและท่านก็มีความมั่นคงในศีลคือจะไม่มีการโต้อตอบให้ผิดออกไป ด้วยอาศัยเนคขมะคือใจออกจากอำนาจของกิเลสในขณะนั้นมันก็ไปหมดเป็นบารมีหมดทัทง้ทงๆได้ให้ช้างเชือกเดียวเท่านั้นเองมันเป็นบารมีทั้งสิบบารมีแต่บารมีหลักนั้นมันก็ตรงกับกิเลสนะฮะท่านทั้งหลายจะพบว่าโลภโกรดหลงกิเลสโลภโกรดหลงอัฐานนั้นโลภโดยตรงนะฮะศีลนั้นทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลง ด, ด้วยแหละเพราะศีลมันหลายข้อเอ่อเนคขมะก็แก้ที่โลภโกรดหลงปัญญานั้นแก้หลงโดยตรง เพราะ้นนโลกโลกรธหลงก็แก้ด้วยบารมีสีบารมีนี้หรือว่าศีลสมาธิปัญญานี่ฮะโดยหยาบหยาบนะฮะพูดโดยหยาบหยาบไม่ได้พูดโดยรวมๆถ้าพูดโดยหยาบหยาบก็ศีลก็แก้โลภสมาธิก็แก้โกรธปัญญาก็แก้หลงหรือทานศีลภาวนาเขาก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นโลกโลกรธหลงคือแก้โลกโลกรธหลงกันไปทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมี ศีลก็ขึ้นอยู่กับศีลเราจะเพราะว่าศีลที่พระโพธิสัตว์รักษาบำเพ็ญจริงๆนั้นก็คือศีลที่ญาติโยมรักษากันอยู่เนี่ยก็ไม่ค่อยพบว่าพระโพธิสัตว์บวชเป็นพระมีแต่บอกว่าบวชเป็นฤาษีก็รักษาศีลห้าอย่างดีก็ศีลแปรักษาศีลอย่าง น, น, านางงี้เพราะงั้นศีลระดับบรารมีเพราะศีลห้านั้นเป็นฐานใหญ่นะ ถ้าเรามองกันด้วยหลักของปิปญญาพิจารณาเทียบเคียงเชื่อมโยงให้ดูจพะพาบว่าศีลของพระที่วัตย์227มันก็เชื่อมต่อกับศีล5ทั้งหมดเชื่อมต่อกันมาได้แต่มันประณีดขึ้นแต่นั่นเองมันประณีดขึ้นท่านั้นประณีดขึ้นไปโดยลําดับจนเรียกว่าในจุดหนึ่งเนี่ยมันเข้าถึงแม้แต่ได้ใจต้องเข้าถึงใจด้วยคือเป็นไปได้โดยอัตโนมัติแต่ว่ารากจริงๆมันอยู่ที่ที่ศีล5 ศีน่าจึงกลายเป็นฐานใหญ่แล้วโทษละเมิดอย่างรุนแรงของพระที่ต้องศึกจากพระเรียกว่าปาราชิกนั้นก็คือผิดศีน่านั่นเองที่จริงเป็นการผิดศีน่าแต่มันเป็นฐานเป็นฐานในการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหมดเพราะเรื่องของศีน่านั้นเป็นการยุติกระแสของโลภโกรธหลงที่แรงดังนั้นศีลจึงกลายเป็นบารมีนะครับ สาศินให้ได้ก็เป็นบา ร, รมีที่ใหญ่โตนะในเนค้อมมะคือการออกจากกามนะฮะออกจากกามแท้ที่จริงโดยความหมายในเชิงปฏิบัติอย่างที่บอกว่าพอถึงชั้นของการปฏิบัติแล้วอะไรไม่สําคัญถ้าก็อย่างไรคือไม่จำเป็นจะต้องบวชก็ได้บวชบางทีมันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันไม่จาเป็นว่าจะต้องได้เรื่องทุกอง บางทีก็บวชก็อาการหนักก็ไม่บวชอีกก็เอาแต่ว่าทรงจําแนกแสดงประเภทของบุคคลไว้ในเรื่องนี้ไปสี่สประการคือไม่บวชเลยคือเรียกว่าไม่ออกเลยออกจากกามนั้นก็คือออกจากอํานาจของกิเลสอํานาจของอารมณ์กามที่เป็นกิเลสก็คือโลภโกรธหลงโดยเฉพาะเน้นไปแต่กิเลสประเภทโลภนะฮะคือมุ่งระ ง, งับถวายโลภโดยเฉพาะ แต่อย่าลืมว่ามือเมื่อโลภได้โลภมันลดโกรธมันก็ลดหลงมันก็ลดแต่ท่านพูดถึงโลภก็คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับส่วนอื่นก็เหมือนกันอ่างไซรักร์แต่รักบอกเห็นอนิจจังบ่กเห็นอนิจจังชัดทุกครั้งหน้าตามันก็ตามเห็นหน้าตาชัดทุกครั้งอนิจจังก็ตามเห็นทุกครั้งชัดอนิจจังก็ตามแต่มันเห็นอะไรก่อนท่นก็เรียกอย่างนั้นท่านั้นเองอย่าไปมองให้มันมากแล้วก็ดูน่ากลัวกัแบกธรรมะกันที่จริงก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นแกจะเชื่อมเอง จ ะ, จะเชื่อมต่อสัมพันธ์กันเองเริ่มกุศลกุศลอื่นตามเริ่มอกุศลอกุศลอื่นตามมันก็ตามกันมาเป็นแถวไปข้อสําคัญก็อย่าเลี้ยวออกนอกทางเลยแล้วกันนั่นเองเออในคำะไอข้อต่อไปก็คือกายออกแต่ใจไม่ออกเช่นออกบวชเป็นเพศเป็นพระภิกษุสามเณรเนี่ยแต่ใจก็ยังวุ่นวายอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดั ง, ต, งต้องการนั้นต้องการนี้เห็นชาวบ้านมีอย่างนั้นก็อยากจะมีอะไรอะไรมันก็ ก็อย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะก็ไม่ช่วยอะไรได้เท่าไหร่ก็เป็นการออกได้เฉพาะกายแต่นั้นเองแต่ว่าจิตใจไม่ส ง, งบเพราะมุ่งส ง, งบความโลภความโกรธความหลงแต่ถ้าพวกนี้ยังไม่ส ง, งบมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ประเภทหนึ่งนั้นคือใจออกแต่กายไม่ออกอย่างญาติโยมทุกคนเนี่ยฮะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามอย่างที่เคยบอกว่าพระนาคามียซึ่งเป็นพระเจ้าบุคคลระดับสามก็ยังเป็นชาวบ้านอยู่ไม่จะกลัวอะไร บางคนนะบนน้อยอกน้อยใจแมมผู้หญิงเสียโอกาสไม่ได้บวชไม่จําเป็นอยู่ที่บ้านไปก่อนก็ได้ทําใจให้ออกจากอํานาจของกิเลสไปแล้วถึงจุดหนึ่ง ใ, ใจมันออกเองเมื่อวานนี้ก็ลูกศิษย์เขาตั้งท่าตั้งทางจะอยู่อยู่องค์หนึ่งเลยเมียก็มาเล่าให้ฟังบ่อยๆถึงความทุกข์ความเดือดร้อนที่บ้านเขคืนก็สึกไปแล้วบอกกอไปทุกอย่าไปทำความลําบากให้ลูกเมียเลยว่าเด็กก็ยังเล็ก พ่อก็อพ่อก็อแก่แล้วเราออกไปอยู่ช่วยบ้านปฏิบัติธรรมะไปวันใดมันพรากกิเลสออกจากจิตได้แล้วมันยกจิตขึ้นอยู่เหนือโลกเองเนี่ยแม้แต่อยู่ในโลกมันไ ม, ไม่ก็แปดเพื้อนใน อ, อารมณ์โลกมันก็บวชอยู่ที่บ้านนั่นแหะเป็นคารวะสมุนีซึ่งเราก็ทำหน้าที่ของเราได้ทั้งสองอย่างคือทั้งหน้าเอหน้าที่ที่เป็นพระแล้วก็หน้าที่ที่ไม่คือคือหน้าที่ของผูป้ปฏิบัติธรรมะในรูปของเนคขมมะบา ร, รมีคือหน้าที่ของ ลูกของสามีของพ่อที่จะต้องปฏิบัติต่อลูกมก็ไ ม, กไม่ก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรในจุดแกก็สึกปไปเมื่อคืนเนี่ยนี่ก็เป็นเป็นเป็นเล่ห์มมะอีกอย่างหนึ่งที่เราก็ทำได้นะฮะที่จริงมันก็บวชได้ทุกขณะจิตเอาก็จริงคือออกจากอ ำ, อำนาจอารมณ์ได้ในขณะใ ด, ดก็ถือว่าในขณะนั้นเป็นเล่ห์มมะแล้วลการออกจากกิเลสกามแล้ว กิเลสกรรมในด้านหนึ่งไม่ใช่กรมในด้านหนึ่งก็คือวัตถุ ก, การมรูปเสียงกลิ่นรสผุดถภาท่วานัยมันก็ไม่อื่นไปจาก6กอย่างนี้รูปเสียงกลิ่นรสผุดถภธรรมารมแต่อย่างบอกแล้วว่าไอ้คำว่าธรรมารมนั้นแท้ที่จริงมันของเก่านะครับคือรูปเสียงกลิ่นรสผุดถภที่เราเก็บไว้ภายในใจนั่นเองแล้วเรามาปรุงคิดมันคิดปรุงเราเรียกสิ่งนั้นว่าธรรมารมอารมณ์ที่เกิดกับใจที่จริงมันไม่ได้เกิดกับใจแล้วมันอยู่ในใจ เราปเป็นเหนียวนึกมันขึ้นมาเองนะฮะเหมือนตะกรนที่อยู่ในภาชนะพอมันเราเขย่ามันก็ขึ้นมาทําให้น้ําข้างบนขุ่นมัวไปเราก็เรียกว่าตะกรนที่จริงมันก็อยู่นั่นนะฮะก็อยู่อยู่ข้างล่างตั้งนานแล้วจิตใจของเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงจะไม่พูดถึงหนะมีน้อยที่พูดถึงหนั้นกับบางทีจะใช้คําว่ากับธรรมารมณ์เพราะการเหนี่ยวนึก คอยธรรมารมเราจะพูดในแง่ของวิตกคือความตรึกนึกโดยเฉพาะส่วนกาวัตถุกรรมแล้วจะส่งเน้นเพียง5้าอย่างบ่วงของมารก็ดีเรื่องเครื่องผูกของมารก็ดีพวงดอกไม้ของมารก็ดีก็แล้วแต่จะส่งเรียกเพื่อให้เป็นภาพนะให้เป็นภาพที่บุคคลมองไอ้สิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนก็เรียกก็บ่วงของมารบ้างเครื่องผูกของมารบ้างพวงดอกไม้ของมารบ้าง สรุปแล้ ว, ว่าคือรูปเสียงกินรสผดพภาที่ใจไปกำหนดว่าน่าคราน่าปรารถนาน่าพอใจนี้ก็ใจมันก็พรากไปจากอารมณ์เหลดนั้นได้ไม่ปล่อยให้อารมณ์เหลานั้นครอบงาใจมันก็เป็นเนค ข, ขมมะอยู่ภายในบ้านเนี่ยเป็นกระวา ส, สมุโนีซึ่งเราก็อยู่ภายในบ้านได้ปัญหาสำคัญอยู่ที่ใจยอย่าลืมพระพุทธศาสนานั้นเน้นที่ใจเป็นประการสาคัญ เดียวกันต่อไปนั่นก็คือออกทั้งกายทั้งใจอันนี้จุดมุ่งหมายจริงๆก็คือหมายความว่าต้องอยู่เป็นเพศของนักบวชเป็นเขาเรียกว่าเป็นอนาคาริกจริงๆคือไม่มีเรือนจริงๆไม่มีครอบไม่มีครั ว, รวจริงๆนั่นก็เป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีคนเป็นจำนวนมากที่จะออกได้ทั้งทั้งเอ้ไม่ใช่จำนวนน้อยที่จะออกได้ทั้งกายและทั้งใจมันสอบไปเป็นรูปเจดีก็ทุกยุคทุกสมยัยแม้ในยุคของพระพุทธเจ้าเองก็ตาม ปัญญาบารมีนั้นเราจะพบว่าท่านในชั้นที่ท่านยกตัวอย่างชาดกเนี่ยเป็นปัญญาในขั้นใช้งานมากกว่าชั้นที่จะเสริมสร้างขึ้นไม่ว่าในชาดกอย่างในทศชาติชาดกท่านก็เอาเรื่องพระมโหสวมาเป็นตัวเด่นในทางปัญญาแล้วท่านที่เคยอ่านเรื่องมโหสถท่านจะพบว่ามันก็ไม่เด่นเน้นที่การเสริมสร้างปัญญาแต่ว่าไปนเน้นที่การใช้ปัญญา ซึ่งก็หมายความว่าปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ท่านเก็บสะสมเอาไว้แล้วในขณะเดียวกันก็อา ศ, อาศัยประสบการณ์ในปัจจุบันเพิ่มพูนขึ้นมีการพินิจวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์แล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ปัญญาในส่วนเหตุคือส่วนที่สร้างให้บางเกิดขึ้นส่วนสร้างให้บางเกิดขึ้นนั้นทางศาสนาก็แสดง ประเภทของปัญญาไว้เป็นสองชั้นชั้นหนึ่งเราเรียกว่าสชาติกะปัญญาคือปัญญาที่ติดมาแต่กําเนิดซึ่งเราเรียกในปัจจุบั น, บนว่าพรสวรรค์คือความถนัดของบุคคลบางคนความโน้มเอียงของบุคคลบางคนที่แสดงออกมาในลักษณะแตกต่างกันนี่ก็เป็นปัญญาชั้นที่ติดมาแต่กําเนิดเป็นลักษณะของมรดกมันเหมือนกับการเกิดมาแล้วก็เราก็ได้รับมรดกมันก็อยาลงทุนทํากิจการอะไรมันก็รวยเร็วหน่อยเพราะมีต้นทุนอยู่ยะแต่อีกคนหนึ่ง ถ้าหากว่าเอาชาติกะปัญญามันมีน้อยมันก็ต้องอาศัยปัญญาประเภทที่สองมากคือโยคะปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประกอบในประกอบปัญญามันก็มีอยู่หลายแนวนะเห็นพกูกอายุสูงขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นสนทนากันมากขึ้นเมาเชแช่เป็นนักคิดนักวิเคราะห์มากขึ้นอะไรเนี่ย ก, ก็เป็นทางให้เกิดปัญญาได้แต่ส่วนมากที่เราสอนกันมากที่เราพูดกันมากก็คือเกิดขึ้นจากประสาทสัมผัส การเรียนรู้ทางประาทสัมผัสและการนามาพินิจพิจารณาด้วยใจกับการลงมือประพฤติปฏิบัติเรื่องการลงมือประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องที่สําคัญมากอย่างธรรมะในทางศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าเราเดินไม่ถึงคือเราเดินแค่แค่ปริยัติและจะไม่มีการปฏิบัติก็จะมีปัญหาแม้ในด้านความคิด ท่านทั้งหลายลองสังเกตดูนะฮะว่าพระอาจารย์กรรมฐานที่ท่านไม่ว่าจะหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่มั่นอะไรก็ตามะะที่ท่านปฏิบัติจริงๆฮะท่านไม่มีอะไรมาชนพระพุทธเจ้าเลยแต่ว่าพวกที่ปริยัติแล้วนะฮะเรียนเก่งกาจอะไรแต่ไรนีรพวกนี้ชนพระพุทธเจ้าโครมโคร ม, ครมเพราะอะไรเพราะสติเฟื่องมันคิดเอาเองคิดเอาเองไม่ได้ยุติโดยเหตุด้วยผลพอเรียนไปหน่อย คิดว่าอะไรละกนกบเกิดอยู่ในสะจ้อยอ่ะไปก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นพวกนี้ถ้าปริยัติแล้วนะฮะไม่ว่าใครก็ตามจะชนพระพุทธเจ้าได้ไบ่อยวันก่อนนี้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาบอกถึงอาจารย์ท่านหนึ่งสอนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะฮะไม่ออกชื่อคงจะไม่เป็นไรถึงมาแม่ลูกผู้ใหญ่หน้าเจยดายตรงสารปู่มันเออก็ปู่ก็เคยทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองพอสมควรแต่แกก็รวยจังนะกันเงินหลวงเออ แกใช้เรียกพระพุทธเจ้าใช้สิทธถะทุกคำครสอนในมหาวิทยาลัยเรียกสิทธถะทุกคำเลยพอดีนาแกเดินผ่านไปแกข้าไปต่อว่าเลยไปเฉียงกันในชั้นนาแกข้าไปต่อว่านี่บอเรียกอะไรนี่กับพระพุทธเจ้าไปเรียกขาดความเคารพคือสิทธะนี้ไม่มีใครกล้าเรียกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าสาสนิกในพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีใครกล้าเรียกแม้แต่พระโคดมก็ไม่มีคนกล้าเรียกถ้าเป็นลูกศิษย์แล้วจะไม่มีใครเรียก จะเรียกพระผู้มีพระภาคเป็นหลักจะเรียกพระผู้มีพระภาคเป็นหลักใจภาษาวินัยจะเรียกพระผู้มีพระภาคภาษาพระสูตรจะเรียกว่าพระพุทธเจ้า น, น, น, น, นี่เป็นหลักดังนั้นในการที่ใช้ถ้อยคําซึ่งปราศจากความเคารพอย่างนี้มันแสดงให้เห็นถึงว่ า, าจิตใจอของบุคคลนั้นกระด้างมากลพูดจาต่อหน้านิสิตนักศึกษาก็สอนอยู่เฉเิบเฉิ ก็เป็นเรื่องที่เราต้องแผ่เมตตาให้แกนะก็เป็นกรรมของสัตว์ก็อาจจะปะกินบุญก่าไปก่อนเอามาส่งคงจะกระเดือดร้อนในภายหลังถ้าเป็นเช่นนี้เรื่องของปัญญาที่จะนำมาวิเคราะห์ตรวจสอบดันต้องเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติด้วยท่านอธิบายศีลก็ดีสมาธิก็ดีท่านต้องได้สัมผัสผลของศีลผลสมาธิ มันเหมือนกัท่านกินอาหารแล้วก็พูดจากรสชาติที่ท่านรับประทานเป็นการอธิบายได้ดีกว่าพูดจากตานาเพราะเราตํานานนั้นเราหลากหลายไม่ได้เพราะเราไม่ได้ชิมรสชาติของสิ่งเหล่านั้นเองแต่ถ้าเราปรุงเราชิมเราอาจจะเติมนั้นเติมนี้แล้วเราจะหลากหลายรสชาติออกไปนะถ้าผู้ต้องการเค็ม ใส่อย่างงั้นเข้าไปจะมีรสชาติอย่างงั้นอย่างนั้ น, นะฮะต่อการเปรี้ยวก็ใส่รสชาติอย่างงั้นอย่างนแต่เราก็ต้องชิมเองก่อนจึงอธิบายได้เพราะฉะนั้นธรรมะถ้าเข้าถึงจุดของการปฏิบัติแล้วจิตใจก็จะมีความมั่นคงมีความเชื่อมั่นในธรรมะสูงขึนปัญญาก็เหมือนกันจะต้องเกิดมาจากการลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วจะมองเห็นคุณค่าของปัญญาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการนำไปใช้ปัญญา ในรูปของการใช้งานการใช้งานมันก็เริ่มเริ่มด้วยอะไรเริ่มด้วยรู้ว่าอะไรเป็นทางซึมอะไรดีไม่ดีนะฮะก็สูตรเดิมนั่นแหละสูตรเดิมก็รู้ว่าอะไรดีไม่ดีอะไรอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็แยกเป็นกุศลเป็นอกุศลก็แยกออกแยกออกได้กินได้กินไม่ได้เปลือกกับเมล็ดเปลือกเนื้ออะไรเทไรเนี่ยมันก็แยก เพราะสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นมันจะมีการปะปนกันอยู่ถ้าคนเราปราศจากปัญญาในที่สุดก็อย่างเด็กๆที่งแกไม่มีปัญญาบางทีแกจับอะไรใส่ปากกตจะุดพ่อแม่ก็ต้องคอยเอาออกอยู่เรื่อยเพราะบางทีนั้นของที่ใส่ปากไม่ได้แกกุสาเอาไปใส่เข้าไปเพราะแกแยกไม่ออกแต่ปัญญาจะยังต้องอยู่ในชั้นของการแยกได้คือแยกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเป็นต้นที่ตันใช้คําว่าอาโยโกศล คือฉลาดในทางเจริญอปาญโกศลฉลาดในทางเสื่อมและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือทั้งสองอย่างนี้เรารู้นะฮะว่าที่จริงเรารู้เราเก่งกันจะตายคือพูดจากันได้แต่ว่าปัญญาขั้นที่3ามใเราเดินไม่ได้ปัญญาประเภทที่จําแนกว่าอะไรเป็นมีวิธีอย่างไรที่จะหลีกทางเสื่อมมาเดินในทางเจริญมีวิธีอย่างไงจะละบาปบาเพ็ญบุญมีวิทยาย ยังไงที่ทอดทิ้งสิ่งซึ่งไม่เป็นประโยชน์มาบำเพ็ญในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นคือปัญหาในกา ร, รประพฤติปฏิบัติการบารมีต่อไปนั่นอนอกจากทานศีลเลขคมะปัญญาแล้วไม่ว่าจะสัจจะบา ร, รมีขันติบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีอุเบกขาบา ร, รมีอีกหข้อนะแกจะหนุนบา ร, รมีเหล่านี้จุดเด่สัจจะก็คือความจริงใจ นะความสัตย์ซื่อต่อกันความจริงใจในเจตนารมณประรงความจริงจังแล้วก็จริงต่อตนเองจริงต่อต่อบุคคลอื่นอนธะิฐานนั้นเป็นความมั่นคงทางใจส่วนมากแล้วถ้าเรื่องบา ร, รมีไอตัวสัสจจะอธิฐานเนี่ยแกจะน่วงจะหนุนเรื่องกันมันจะออกมาในรูปของสัจจาอธิฐานสัสจจะและก็อธิษฐานด้วยจะมีความมั่นคงขึ้นมาซึ่งอาจจะออกมาในรูปที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะเช่นเช่น เอาถาตดลอยน้าอย่างพระพุทธเจ้าเอาถาดลอยน้ำเนี่ยก็ดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้แต่แท้ที่จริงแล้วนะฮะธรรมานุภาพเมื่อวานในประชุมทางกรมวิชาการคือเขามีเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องพระเจ้าอโศกเจ้าชายกูณาละที่เราจะให้เด็กเรียนเนี่ยพอเลิกเสร็จแล้วก็นนะักวิจาการท่านก็เฉียงขึ้นมาว่ามันมีอธิษฐานอยู่ตัวหนึ่งที่ว่าเจ้าชายกุณาละอธิษฐานด้วยอํานาจว่าแกไม่โกรธในพระนางติทยรักษีตาที่ รอมพระเจ้องค์การให้แก่ควักตาแล้วขออภัยพระรจ้าทานอภัยโทษอยาให้ลงโทษแก่แม่เลี้ยงแล้วแกเองก็ได้ไม่ไม่ได้ผูกใจเจ็บอะไรเลยกลับขอบคุณซะด้วยทำให้เพราะว่าพอตาพอตาพอตาธรรมดามันบอดไอ้ตาปัญญามันเกิดแกก็ได้ตาปัญญาที่ดีกว่าแล้วก็อ้างอาธิษฐานเหล่านั้นผลว้่ายตาแกขืนสภาพก็บอกมาชักชักจะออกอิธิปาฏิหาริมาเกินไป อาตมาบอกมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะอาตมาเองนั้นไขยสั่นบวบขึ้นเทศหายไม่รู้จะกี่ครั้งแล้วเทศเสร็จแล้วก็ลงมาถึงก็ไายหายเลยทั้งๆนี้ตอนขึ้นไปเราสั่นอยูนะ่นี่เพราะอะไรเพราะมันใจมันมุ่งใจมันสงบพอดีคุณประสกสยามราชซึ่งนั่งประชุมอยู่ด้วยเขาบอกไอ้ น, นี้จริงท่านเจ้าคุณเล่นหมากรุกไม่เป็นผมนี่เล่นหมากรุกหายป่วยม่รู้กี่ครั้งแล้วกันคือใจมันสงบอยู่ในเรื่องเหล่านั้นนะเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องของบารมีที่เราไม่รู้หรอก เราเราจะต้องสัมผัสด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองบางทีนี่เลิกเคยตั้งหลายครั้งแล้วมาในไข่ยอย่างแรงเลยสั่นดึดๆเลยจะพูดจะไม่ออกแต่ไม่มีคนเทศไม่มีคนคนก็มาหาคนเทศไม่ได้เราก็ต้องขึ้นไปเทศเทศตอนใหม่ๆนี่กระเสือกกระสนไปเต็มทีเลยพอสักสิบนาทีแล้วชักจะคล่องตัวขึ้นแล้วไปลงมาถึงก็หายหวัดไอจามอะไรหายหมดจ้ นี่เรเจอมาตั้งหลายทีแล้วอันนี้เราก็เราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าใจมันมุ่งอยู่ที่ธรรมะซึ่งเราจะพูดเท่านั้นเองนี่เป็นธรรมานุภาพอนุภาพแห่งธรรมเพราะงั้นสิ่งทั้งหลายที่ที่ ท, ที่เป็นบา ร, รมีซึ่งจะขจัดมารได้หรือไม่นะั้นก็อยู่ที่ว่าเรามีมากพอที่จะขจัดได้หรือไม่นะฮะไม่จะตักน้ําช้อนเดียวไปล้างน้ําแก้วเดียวไปล้างโครนทั้งกองก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าพวกเหล่านี้มีกําลังมากพอแล้วมานทั้งห้าประเภท ก็สามารถที่จะะจญได้จะขึ้นอยู่กับว่าบารมีเหล่านั้นเราแข็งแกร่งมากพอหรือไม่ดังนั้นพระโบราณอาจารย์จึงกล่าวว่าพระจอมุณีทรงใจชำนะมารซึ่งนิมิตแขนตั้งพันมาระจนพระองค์นโโธิมนทนด้วยบารมีธรรมทั้งหลายมีทานะบารมีเป็นต้นแล้วก็อ้างอนุภาพแห่งชัยชนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เกิดเป็นสวัสดิมงคลแก่บุคคลทั้งหลายในสมาคมนั้น สำหรับพุทธชัยมงคลคาถาในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความเจริญงอกงามได้ความชัยชนันะจงมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถิน